นะโมจตจักระวัติอรหัตตสัมมาสัมพุทธัจ้าคุทธังธัร ม, มังสังฆนมิมสามิอิโตุปะรังสกจังธัรมโมตุสัพโธติเอาต่อไปนี้ญาติโยมทุกๆคนตั้งใจฟังธรรม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 นับเนื่องว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมาทางอำเภอวาริศจ ะ, ะมาได้สองคืนกันนี่เลย ม, มั้งเมื่อคืนนี้นอนอยู่ทิบสองแต้มเช็ดวันนี้มานอนอยู่วันน้องประโภงทั้งหลายเดือนเหล่านี้ก็ร่วนเ่ว่าแสวงหาทางคนทุกข์แสวงหาธรรมะ ธรรมะเป็นเครื่องนำให้มนุษย์ทั้งหลายตัดทั้งหลายพ้นจากทุกข์ให้ใจอย่างนั้นแล้วก็เฉพาะวันนี้เป็นกรณีพิเศษทุกปีในสมัยก่อนสาขาวัดประโภงมีหลายจิตแห่งแต่ก็ให้มารวมที่วัดหลวงประโภค วันมาคบูชาวันมิสาะตะบูชามารวมที่วัดน้องประโงศกันทั้งนั้นทำไมสมัยปัจจุบันนี้จึงไม่มารวมกันมีอาชัยเหตุการ์มันดูจัดการดูจัดเวลาพอสมควรญาติโยมทั้งหลาย ท่านที่มุ่งมาวัดน้องประโภคก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มาฟังธรรมะกั น, กกนวัดน้องประโงคนี่เป็นแหล่งนั่นหนึ่งซึ่งขยายธรรมะให้ประชาชนทั้งหลายผู้ที่ไม่เข้าใ จ, ใ ห, าาา ใ, จนนให้เข้าใจผู้ที่เข้าใจน้อยให้เข้าใจมากๆขึ้นจนกว่าที่ว่าบารรลุธรมรมบรรลุธรรมอย่างไร บางคนก็ดีว่ายังไม่บรรลุธรรมคือไม่รู้จักทำนั่นเองไม่รู้จักทำบางคนก็กินเหล้าเมายามันเห็นว่ามันเป็นของดีของเลิศของประเสริฐเมื่อได้มาฟังธรร ม, มะก็บรรลุเขาถึงธรรมหยุดกินเหล้าหยุดค่าตัดหยุดขโมยหยุดโกหกพกลมต่างๆเลิกไปทั้งหลายเหล่านี้แหละมันบรรลุธรร ม, มะตรงนั้นอ่ะ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 เมื่อมาท่างอยู่ท่ามแขวงเซตก็ยังไม่บรรุถึงวัดหองประโภคออกจากท่ามแสงเซตมาแล้วมาโดยรถรวมกันมาตั้งใจมาถึงวัดสองประโภค น, น, นี้นี่เรียก ว, ว่าบรรุวัดสองประโภคแล้วคนบรรุธรรมะก็อย่างนั้นคนบรรุธรรมะก็อย่างเดียวกันไม่เปลียนอะไรกันเลย เหมือนกันทางนั้นนี่คำเรียกว่าบันดุมันเป็นปาะสาธรร ม, มะเราทุกคนโดยมากได้ยินว่าบันดุธรร ม, มะก็เข้าใจว่าศักยนิมิตสูงมากจก่งว่าเราชาตนี้คงจะไม่ได้บันดุนเข้าใจกันใช่ไอย่างนั้นให้ความเป็นจริงเช่นมาอันนี้มันบาปถ้าเราเห็นยังไม่ชัด เห็นไม่ชัดก็ละวาไปได้อันนั้นยังไม่บรรลุธรรมะเท่าที่ควรตั้งไปพิจาณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดมาเห็นโทษมันแน่นอนแล้วว่าการกระทําไม่ดีอะเห็นชัดเห็นแน่นอนจนไม่กล้าจะทํามันอีกต่อไปจนไม่กล้าจะเกิดมันได้เป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปแล้ว ในเวลานั้นจําเป็นกนราต้องวางมันทิ้งไปเพราะเห็นโทษมันแต่ก่อนเรายังเห็นโทษมันท่านบาบาบา ป, บาปแล้วก็ว่าบาปเมือนกันแต่ว่าเรายังทาบาปอยู่ทาผิดอยู่ทาชั่วยอยู่ก็เรียกว่าเรายังไม่บรรลุถึงธรรมะผู้บรรลุถึงธรรมะก็แค่คลายกับเรามองเห็นมู่เห่าหัวระดับยึด ที่มันเดือยไปเรื่อยไปแต่เรารู้จักว่าเอองูนี่มันเป็นอัศระพิษแบบพิษในงูนี่มากถ้ามันตัดใครแดีวมันตายเยหายอย่างนี้เมื่อเราเห็นเป็นงูเหา่างูสามเหลี่ยมหรืองูทำคานเรารู้จักว่ามันมีพิดอย่างไรแรงกัดคนก็ตายไม่ตายก็เียนตายอย่างนี้อันนั้นก็เรียกว่าเรารู้งูเหา่างูสามเหลี่ยมงูทำคาน ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูอีกนี่ไม่กล้าใครจะบอกไปก็ไม่กล้านี่เรียกว่าบันดุธรรมะบันดุถึงงูเหา่างูสามเหลี่ยมนีบันดุถึงจิตมันแต่ความชั่วทั้งหลายนี่ของมันการนั้นออถ้าเราเห็นโทษมันชัดมันไม่ยากหรอกมันก็เลิกของมันนี้ ขอแค่ว่าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วปฎิจญยนาไปมันเลิกถอนมันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไรนะมันก็จะเป็นธรรมะมันก็จะรู้จักธรรมะรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะฉะนั้นวันนี้ธรรมะนี้ที่เราทํากันอยู่นี้เราประพฤติกันอยู่นี้เราปฏิบัติกันอยู่นี้ได้ เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งพวกพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้ได้มาปลาลบเป็นมุน ม, มาอิสากรบูชาเดือนหกเป็นวันนี้คล้ายกันกับว่าเป็นวันเกิดของท่านวันที่การประสูตร หรือเป็นวันที่ท่านกัจจารุธรรมะหรือวันท่านบนรรลุธรรมะนัน่นเองหรือเป็นวันที่ท่านปาริมิพานทางสามการนี้คล้ายๆายกับวันนี้ดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นกรณีพิเศษพวกเราชาวพุทธทั้งหลายต่างคนในทิป อยู่ในทิศตะวันทิศทั้งหลายเปนวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมะที่พอสมควรในหัวใจเรื่องสยตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นอย่างญาติยอมทุกคนมาวันนี้บ้านใกล้นีก็มียอมอยู่กรุงเทพก็มีอยู่จังหวัด อ, อื่นก็มีอำเภอ อ, อื่นก็มีซึ่งมารวมกัน คนเก่าก็มีคนใหม่ก็มีเปนเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันนี้เป็นบนันที่พิเศษบันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเกิดหรือท่านกัดจรูธรรมะหรือท่านปาริยิปานที่เราเรื่องใจในท่านยังเรารู้จักบาปบุญคุณโทษ เราได้บวชคุณฑบุตรคุณธิดาทั้งหลายในประพฤติปฏิบัตมาถึงวันนี้กอบเพราะบุญคุณของท่านอย่างนั้นจึงจัดรายกานเป็นบุญคุณอันด้วยสะดิดที่จุดเราจริงไม่ควรระเลิกควรระลึกถึงในเวลาที่สำคัญ อันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นพุทธานุสติคือเรามาะระลึกถึงพระพุทธเจ้าะระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านในอุตสาห์ได้พยายามเบิกบุกบันทำพระศาสนามาถึงบัดนี้ก็เพราะท่านฉะนั้นแอ้พระคุณอันนี้เราจะทิ้งเสียไม่ได้จำเป็นจะต้อง มากราบมาไหว้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็พระผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็นคนธรรมดาเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ไม่ใช่ม่านไม่ใช่รอมไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อาชจรรันเป็นมนุษย์ที่แปลก เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์มนุษย์ผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหรอกมนุษย์ผิดปกติแล้วมีสองอย่างหนึ่งผิดปกติจะในทางสูงก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโพธิเจ้าเป็นปารหันเจ้าขึ้นไปเลยนี่เป็นมนุษย์ผิดปกติทั้งนั้นอะ ถาคิดปกติลงข้างล่างก็เป็นบ้ากันเห็นไหเป็นบ้ากันโดราศาส์คิดปกติเหมือนกันคิดปกติมาข้างล้างข้างตำ่ำเพราะผู้โชนธรมมนนธรมดาเราสามัญชนธรรมดาเลยเป็นมนุษย์อยู่กลางกลานะยังไม่เสียยังไม่เป็นโดราศาส์ได้ยังไม่เป็นพระอาดีเจ้า แต่แรกก็จะเกินได้ทั้งสองอย่างนะเป็นได้ทั้งพระอดีตเจ้าเป็นได้ทั้งบาเห็นไหมนะทุกวั น, นควนอยู่นะแต่ส่วนมากมันอยากบินไปทางล่างมากเราทุกวันนี้ก็เดียกว่าเราเป็นผู้มีปกติธรรมดาธรรมดาถ้าผิดปกติแล้วไม่ดีไปทั่วฉะนั้นมันจึงมีความจับสนในอาการที่เรารทุกวันนี้เห็นไหม ทุกวันนี้ยิงคนไป่รู้จักบางทีเห็นบ้ามากจะไปเที่ยวกราบหม อ, อนี่มีว่าพระอัลลหันเนี่ยเพราะอะไรมันแปลกจากคนธรรมดาวเราแบบคนแปลกจากคนธรรมดาเราแล้วก็คิดอะไองอ่านเป็นพระอัลลหันใช่ไหมคนนี้ก็ไปกราบคนนั่นก็ไปกราบความไปยิงกราบที่บ้าอย่างนี้มันก็มีถ้าหาเรื่องจริงๆไม่รู้จักจริงๆนะ่ะ าอาีเจ้ากลับบ้านเพราะมันเป็นคนที่ปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างเราได้ไม่ดูเรื่องในสูงขึ้นไปเราก็ไม่ดูจัดต่ำลงไปก็นั่นเราก็ไม่ดูจัดเพราะเราเป็นค น, น, ค, นคืนขึ้นกลางๆคนที่ขึ้นขึ้นต่างๆนี่จริว่าจริงเป็นมนุษย์ที่คนฝึกเพราะว่ามันฝึดดีก็ได้ฝึดชั่วก็ได้เป็นมรุษี่คนฝึกเป็นพัพไพรสัต ที่ควรการรู้ธรรมะไม่ควรนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้มันจะเป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอดีตเจ้าก็ได้เพราะบ้ามันอยู่ในโลกนี้ดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าของเรามันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะรู้จากคนอื่นได้ยาก คุณงามความดีเรารู้จยากคนอื่นในยากเพราะว่าทำทั้งหลายนี้มันเป็นปัจจิตังมันไม่ไปเชื่อหรือการบอกต้องเหตุปฏิบัติไปรู้เองเห็นเองถึงแม่พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านผ่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไป ท่าวางในโลกีทั้งหมดท่านไม่ไดาไปท้งนั้นแต่พวกประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยบางคนก็น้อยใจเออแม้ถ้าเราได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงจะเป็นพระอรหันต์เจ้าคงจะปฏิบัต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 บ่าเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เฉพาะธรรมะเนีก็เฉพาะธรรมะท่านบนรรลุธรรมะจริงเลยนามท่านบาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นทำไอ้ที่จะให้ท่านบนรรลุ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 ดังนั้นกานที่ว่าสอพระอนอุ น, นอ น, นอุนนอ์อานุ์โตกเศร้าเสียใจพระพุทธองค์จะปฏิบัติภานแล้วฝานึกในใจว่างเราอยู่กับท่านปฏิบัติมานานแล้วจิตใจเราก็ยังไม่เป็นพระอริยะบุคคลก็พระพุทธองค์จะมาปริบัพิภานไปจะแล้วก็น้อยใจเราให้พระผู้มีพระภาคท่านสงสารเรียกอานน์มา อานอนท์เข้าใจเหตุอยากเข้าใจอย่างนั้นพระอานอนท์เข้าใจเหตุให้ท่านปฏิบัติไปเถอะทำให้มันมากจเจริญใหมันมากด้วยกัจจาของท่านาปัญญากเกิดจะเห็นธรรมะเมื่ออานอนท์เห็นธรรมะจะได้เห็นพระพุทธเจ้า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 แต่เรียนวิชานั้นรู้วิชานั้นรู้เรื่องเจไิญยอันนั้นจนขวัญที่ว่าท่านรู้จากทุกท่านรู้จากเหตุเกิดของทุกท่านรู้ความหลับทุกท่านก็รู้ข้อปฏิบัติในเรืงความหลับทุกความรู้สี่อย่างเท่านั้นไม่ต้องอะไรมากรู้ตามความเป็นจริงของท่านทุกก่อนหาที่เกาะไม่ได้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 จนสอบได้ตามหลักการของเขาเยอเก็จะยกให้สอนในเงินเดือนได้จัดชื่อให้บ่าเป็นครูครูครูคนที่เป็นครูนี้ถ้าว่าครูนี่ตายแต่แล้ววิชาของครูนั่นไม่เคยตายยังอยู่ ใครยัเรียนต่อไปอีกได้ก็ยังเป็นครูต่อไปวิชานั่นไม่หายวิชานั่นไม่ตายวิชาของครูที่ครูเรียนมาแล้วไมเป็นครูเนี่ยตายไปครูนั่นก็ไม่ได้เอาไปด้วยวางในโลกนี้อย่างเดียวกันทำเที่อกัดทะลุ ข, ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้ พวกเราพอจะมองเห็นธรรมะจะได้มีกัตตาปฏิบัติให้มีกัตตาอันนี้ก็เรียกว่าถ้าพระพุทธเจ้าสันทีผานแล้วก็หมดจะหมดไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญ อย่างนั้นคนมนก็ทำได้ทั้งบาปทั้งบุญนั่นแหละเขาว่าบุญก็บุญไปอย่างนั้นเขาว่าบาปก็บาปไปอย่างนั้นเลยไม่เห็นมันชัดไม่เห็นตัวบาปไม่เห็นตัวบุญตามความเป็นจริงก็เหมือนกันกรรมเราที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือไม่เห็นธรรมะนันเอไม่เคยอิไไนไกรนี่คือการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายนั้น มันจิงเป็นเหมันอยู่ในเวลานี้ถึงแม้แค่แค่ที่เดียว่าจะให้ถึงพัตนาตรายยึดพัตนาตราย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอย่างนี้ก็ยังไม่ไปได้ถ้าเป็นอะไรอะไรมาแล้วก็ไรกขยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่ออของกันเลย ยังเป็นไปดูหมอดูอว่ามันถึงพออะไรไปดูรือไปดูหมออีกต้องไป ห, หมอว่าจ้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นจ้องแยกอย่างนั้นอย่างนั้นจอลอเคาะอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะทานนี่ก็เสียแล้วไม่เชื่อข้อไม่เชื่อข้อพระพุทธเจ้าพระพุทธประประสงค์นี่กุเราะไม่ถึงพระราชนิยายนะไม่จริงจัง ไม่ถึงพร ะ, ะรนชากลอย่างเนียนแฟนอยา่างจริงจังเหตุนมันถึงยากมันถึงลำบากเมื่อเจ็บเต็เย็นดูลมาสารพัดอย่างไม่รู้ว่าจะ อ, าอะไรต่อาอไรมันวุ่นวายอย่างน้ไปหาหมอวะ่ะไปหาหมอผีวะ่ะหมอเทวดาวะ่ะหมอสารพัดอย่างวะ่ะเพืจะมาเจ้าขอันนี้ ที่พระพุทธองค์ของเรานั่นแตงกเยกให้หาหมอเจอธาตาสีดินน้ำไฟลมมันปรุขงขึ้นมาแฝงขึ้นมาด้วยธรรมชาติมันสิ่งที่แก้ไขมันเยอนนะแยะไปเลยก็คือยุกยาคือยุกยาแค่นั้นแตงกเดาบัญญัติคือว่ายายีรอนยินตบาทเตสนาสนะปิสัตยยาบำบัดโรคนี มันเะเรือค น, นั้นแคเนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ถคิด็ยังห่างห่างไกลามากังไกลมันยังไกลามากแต่ว่าเขาว่าทุกคนทำบุญทุกคนเดี๋ยวก็เป็นขโมยก็บทุกคนโกหกกับทุกคน อะไรอะไรทุกคนมันทุกคนมีทุกอย่างทุกอย่า ง, อ, างอันตรมามาสะระโดดใจที่เรียกว่าเคยพูดให้ฟังบ่อยๆพระพ่อหลังคือคือพระชุมทโตแกก็มาอยู่ด้วยสิสิขาสัมมาตรงไปตรงมาเราก็สอนอันนี้มันเป็นบาปมันนั่นเน็นบุญ ล, ละไม่อยู่ด้วยหลายปีเหมือนกันพอสงควรก็ให้ ให้ท <S <s <S okay. ่านไปอยู่วัดจนทชาติเพื่อให้ช่วยคนแก่หรือคนหนุ่มวัดเมืองนุ่งหวายสมัยก่อนชาวเมงนุงหวายหนุ่มหนุมสาวสาวเขามากันมาจนแก่ในสมัยนี้มันมายากก็เลยให้พระพระหลังไปอยู่ตรงคอเขาเขาจะได้อยู่ใกล้สังเกตื่นกำรอง่ายง่ายเมื่อไปอยู่เลยทุมีโทรแค่กขาสั่งใจ ถุงวันพวันเชิมาก็ออกมาสมมาตโบโสติมักันมาจังเกิดขลุ่ยใจมีคนไทยมีรับศิลป์ละพรหลายมีศิลมีธรรมมากยื้อไปไม่กี่วันได้หลายวันแต่เออไปเห็นคนที่มารับศิลป์ละพรน่ยไปกินเหล้าเกี่ยววิถีวัดไปไปทอดแหวนไปกินเหล้าอย่างนี้ แกก็เลยดทางเลยมันนั่งก็กลับมากราบหลวงพ่อทําไมเป็นางา น, นเล่าเมืม่อคืนเนี่ยพอมาจะมาทานถิ่นกันแล้วว่าจะไปกาดกาดไม่รักรักไม่กินเล่าทําไมไปกินกันอยู่อย่างนี้มีคือความจริงก็เขาถ้าทําอย่างนี้มันจะเป็นการเป็ ง, งานไหม มันจะสอนเาไปถึงไงไม่มจะได้ผลไหมกำลังใจเขาแสอ่อนเพราะฉะนั้นใครสมาทานจถีงยาพุทธศาสตร์ก็เลิกเลยไม่คาาตัดทำไมไม่คาาตัดไม่กินเหล้าก็ไมกินเหล้าเลิกเป็นจัดเลยอันนี้อันนี้อย่างเก่าเรับถิงก็รับไปเถอะเหล้ากินไปเถอะดึกถ้าสองอย่าง ก็ดังดูไม่ออกอพยายาดูไม่ออกกลัวไม่รู้ว่าทางหนา้าทางหลังจนเป็นไงเจ็บในลำบากไม่สบายใจมาหาเช่วยไม่โทรอย่าไปคิดมันมากสิให้เขาใจใ่เอาพวกงั่นปกเด็กๆสอนพวกเด็กๆมันเป็นอย่างนี้นอย่าไปถือเ ั น, น่อใเลยเน่เมื่อเราเองความรู้ความเห็นถึงมาเขาจะละตัวเองอ่ะแล้วเงินเดือนจะอยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของคนเรามันไม่เข้าถึงกิจูตรมันจะอยากจะบรรลุธรรมะอยากปฏิบัติธรรมะทึ้งแม่มาปฏิบัติธรรมะเป็นพระเป็นมูนเป็นชีเป็นขาว เป็นผู้มาศกมบศิกาเสมกันแต่ว่าไม่รู้จักกาหนดจิตใจของเจ้าราค า, เ ก, เ, าเกิดมาในจิตโทตากเกิดมาในจิตโมหะเกิดมาในจิตไม่รู้จักกําจัดแต่มันกมวิศานจนราะคน ไม่จะเป็นพรกฎหมายอันนี้ก็ดูดไปตกนี่เรานี่ยคุมการกันนั้นเราจะต้องมีความหมายอันปร ม, มายสอนสอนจำที่จำใครอยู่ดีทไม่ค่อยหยุดสอนที่แถวนี้ไม่ต้องเาไปไตยหรอกไม่ต้องจอนไปนในใรไฟีโดกตัวไม่ต้องสอนไปถึงไหนหรอก ตอนทีน่ว่คนไม่รู้จักบาปทาไมไมันจะรู้จักแล้วก็ในหลักพุทธศาสนาเนยสอนไห้ดีสามจงหัวใจมันเลยหใจมัหวใจพุทธศาสนา็คือไม่กระทําทบาปทางปวงอัน้ไม่กทันชีพใสมบูรณ์เป็นกุศลอ่ง่แล้วก็สามท่านใจคล่องใสอันนึไนะนะงไ นี่เียวาใจพุทธศาสนาแล้วแต่ว่าเมื่อเราทำนะเราไม่เอากันยางไงน้ะจู่ทั้งหลายมีว่าตับมันจะมีดีมันจะมีมเดียนกันแต่ว่าเดียนเอาไปเปล่าสิสตับการนี้เอาไปกันสิสภาพุสธศาอน์ กลับไปกลับมาไปเป่าสแสดงนะม า, าดีมันก็ดีมันกันนะไม่รู้ว่าเป็นวันดีมันก็แปลกไปอย่างนั้นเอาตับมันให้ตับเนี่ยมันอร่อยกว่เขาแล้วเอาให้ยังไม่กินหนงเอาหัวใจมันให้เขายังไม่กินอีก น, นูจะเอาอะไรไปให้มันไม่เอามไม่ถูกวันทำย่อให้แต่ว่าเราบ่ดแค่ว่าไม่รู้จกักไม่เรียนไม่รู้จกักไม่เรียนเลี้ยนอะไรมากมาย นี่ง่าเขาไปทำยางอ่แล้วก็ชอบที่ทว่าชอบสิไม่ดูเรื่องอยากโยมในทางไหนชอบที่กินคพูดกินไม่ดูเรื่อง น, น้ำ น, น้ำา แ, แต่ขันเราหยดตรงันจะหยดตรงอยงง่หยดทงหางปอบปบบแล้วก็เล่นตามันขึ้นไปเรื่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 นั่นก็ต้องเอาอย่างนี้ค่อยๆไปอย่างนั้นปฏิพุทธปฏิวัติทำไมมันจะไม่ขัดใจเจ้าของละ่ะอันจะมามันขั ด, ดแต่คือมือหัวติดขนาดเนี่ยขัดทำไมมันจะขัดละ่ะเอ้ยท้อ hey มาชันข้าวมือเดียวเนี่ยเด็กดุนดุนทำไงเนี่ยชันข้าวมันกอดขนาดนี่ชันมือยาว จะนั่งภาวนานบางคนบางันมันก็เดินไปในตลาดนั่งหนจะหา ก, กินเตียวกินโ น, โ น, โน่นก็ยินดี่ะนับพัดอย่างแต่มันจะไปไอโยมไม่อยากใจมันขัดใจเลยจะทำยังไงมันขีรฤทิมันหลายต้องอดทนอดทนบางทีปฏิบัติไปท่อไม่สบายหมอไปตรวจท่านไม่ได้ครอก มันไปโดกระเพาะท่านต่อชันเข้าสองสามเวลาบางทีมาคับให้ให้ชันเขายืนอีกสิว้ไม่อยอมใหานเขาย็นก็กินเขายืนทำไมชันรอดสารพัดอย่างทนต่อสู้ขึ้นต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองค์เดียวแค่วาชเอกาเนี่ยท่านบอกว่าดีไมีโรคปัญหายอยู่ด้ว หมอตะวันขาดอาหารนะี่ยไปบนเนทางเนะี่ยเราเป็นคนปฏิวัติไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะอย่างนี้มันเรื่องปฏิวัติทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันลาบากกันแต่ว่าเราจะเราจะเชื่อใครไหนมา ก, กามันก็ไม่ได้นะอย่างหมอรักษาเนี่ยเขาจะดีเจอหมอเป็นมะเร็ตรงนี้นะหมอเป็นมาะเร็งตรงนี้ตายเลยเนี่ย ทำไมันเป็านนี่นั่นก็เป็นได้อย่างนี้น่นอนนี่ก็ว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้มันด้วยปัญญาของเราต่อพระพุทธเจ้าองเดียเท่านั้นแล้พอเนาะพอทำาให้ละบาปละนี้นะบเ็บุญกับบเพ็ญนี้ก่อน อะไร่มนมาดีจเกิดนกรรมในกายาากในวาใจของเราเนี่ไม่ทำไม่พูดไม่เอาแนละ้วเนี่ยเ <S <S <S มเื่อทขึ้นจิตมันคงเป็นบุญจิตเปนต่างสมันสะอาดเท่านั้นนะแหละจะเ ป, เปี่นขึ้ น, นเปนะียป น, นขนนึ้นเนะท่านั้นอย่าดื้อนั่นกคับคนคนนั้น่ะที่รกจะแตุ่กกบไม่เอาตัวเอาตัวไม่เอาแตบคุกเวางก็ได้หรือจับก็ได้ ครังแรกตัหักขามันทุตัวเยหักขานี่มันก็ยังไม่เสร็จยังหักขานิด้อยมันีหักแขนมันอีกาะขนาดนั้นต่อมาจะต่อมาจะต่อมามมจะคุกมยๆขาไหักก็ดีว่าเอาละมันบอไปละปลาก็จัมาแต่เขาไม่ฆ่าทมาขังไว้ดูีมันยแยกในนานั้นทำงานไม่เอามันจเป็นเกิน น, นะ พอเห็นคุกนี่ไม่เอาไม่เอาพวกไม่ถึงหน้าลูกหน้าเมียาทางบ้านเนาะจับ <c oughs> อีกมันอยู่อย่มันยากมันจะลบากมันก็ต้องลำบากอย่างนี้จนได้จนเป็นจนมาเ็นค้นในใ จ, ข, จของอเจ้าของจะเลิกจะคุกทไมคุกจับทไมจั บ, จบเลิกนมันยาก จะต้องอาศความอดทนอาใัการประพฤติปฏิบัติของเราคื <c oughs> อจะมาเป็นนักบวชบางคนก็ดูเปื้อนๆว่าเห็นวานักบวชมันสบายไม่จะเล่นนะนี่รกันไม่จะเลนเหมือนกันนะปีสามลันนะครั้งกงกงงงงแล้วเอา 6กโมงกูวาดะโนสามกิโลสองกิโลน่ะยิ่งนะเดียอันนั น, <ม>นอั น, นนี้ทำท่าละพันอย่างถ้าใครมีสต า, าจิตอยู่ยากลำบากอย่างรัชตองประโภงเราเนี่ยหาพระจอยู่ได้น้อยแต่พระที่อยู่ได้เป็นพระที่จำพันด้วยกันพระิตปกตินี่เลยอืม เหมืนเปลี่ยนใจกันที่นั้นพระพุทธเจ้ากำลังให้ฝึกคนเรามั่ก็ไม่อยากจะฝึกกลัวไม่อยากจะฝึกแต่พวกแก่ๆคนหนึ่งกินเหล้าถึง6กขีดเจ็ดขแล้วกินเมาไม่รู้เรื่องเมาเนหมดโยมขอเธออจะมาขอเธออย่าทำเธอแก่แล้วยังยกมือใส่โอ้ยเป็นประคุณอย่างยิ่งนะ ให้ให้ผมคออีกสักทีเถอพอ่อนๆขอกินไดาอีกสักทีกินไปเลื่อมันเสียดายเนี่ยเกิดไม่รู้ว่าเปนีัเนาะของขนาดนั้นก็ไม่ขึ้นไม่ไพิจารณาเลยนันความชั่วที่ม่รูุจากเราไปใจมันก็มนใส่ควงมใส่ถ้าเราไม่ละความผิดแล้วมันในควใสเราไม่ละบาปไปละความชั่วแล้วผิดนี่ในความใส่เกิดเป็นวุ่นขึ้นยากเกิดเมตตาขึ้นยาก ถ้าทำความผิดแล้วเนี่ยเป็นผิดนี่ยเดียวเป็นคือไม่ทำความผิดจะเป็นผิดกกายวาจาเป็นผิดพอเป็นผิดปุ๊บสีนสมาธิติดต่อกันสีนสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิความตั้งใจมั่น หินคือระดับความั่วสมาธิก็สั้งใจมั่นต่อไปก็เป็นสมาธิมันเห็นชัดในการละมันเห็นชัดในการวางมันเห็นชัดในการที่ว่าไม่ทําอย่างนั้นแน่นแน่นกระไบเลยมันมั่นอยู่อย่างนั้นใครจะพูดไปตรงไหนมันก็แน่นว่าสมาธิมันมั่นสองหินสมาธิปัญญาถ้ามีหีนมีสมาธิแต่ปัญญาก็เกิดอันนั้นเนี่ย จะอยู่ไมไม่ไมีอยู่แล้ปัญญาก็รู้รอบๆทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นมาโดยปัญญาของเรานที่หลักพุทธศาสนาของเราคือศีลคือสมาธิคือปัญญาการภาวนานี่แหละการทํำสมาธิการภาวนานี่มันมีกําลังเ่งนเหตุให้ศีลดีขึ้นเหตุสมาธิดีขึ้นเหตุปัญญาดีขึ้นมันเป็นวัยพุทธร กันอยู่เสมอเลยทีเดียวมันควรจะทำพยายามถึงยังทําได้ในอดก็พยายามทาทําไมถึงเป็นเงีน้นเออทำไมถึงว่าอย่างนั้นทำไมจะเป็เี่ยนมันไม่มีอะไรอยู่มันจะเป็นของเราจริงๆเนี่ยนันไม่มีอะไรหรือใครมีอะไรไหม ทำแล้วจ็ทิ้งไปในโลกนี้คนมีมากจะทิ้งไป ม, มากค น, ม, นกกมีน้อยจทิ้งไน้อยแล้ว็นี้ไปอันนี้มันน่าเสียใจเหมือนกันนะนององดูทีเมืาอเรามีชีวิตหลงเอาชีวิตแรกอะะมันสร้างบาปสร้างกรรมจนอย่างไรต้พยายามทยนนั่นมันจะหน้าหน้ามันจะนติดอตมาบันฑ่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายเท่าที่ควร กายคนนำล่ำได้รวยก็มีมาแต่ไม่มีปัญญา ม, มีปัญญาก็ากลัวอะไรก็ไม่รู้อันตรมาว่าภบนี้มันมีประโยชน์ได้ต้องสร้างภพหน้ามันก็ม่เจอมันเป็นของยากมันไมาเจอมันเป็นของยากนั่นก็เหมือนฝนทำให้ เมล็ดผลไม้เราชินดูมันสวานอยู่แล้วนะม็มันน่าจะไปปรูกนะยิ่งไปโตนี่ะไปควายมีหมดเลยหมดพันเลยมันน่าจะคิดอย่างนั้นพูดมาถึงนี่มันไมถึงลงกาแตงเน้นน้อยนะเขาเอาเขาเอาขนุนมาถวายงาลงกา พอชันก็ไปปูโอมันหวานไปเกินพอหวานพวกมนนึกถึงอยากก็เลยพันมันเลยถามมาน้อยชันขนุนมั้ยชันครับอร่อยมั้ยอร่อยครับเมาล็ตมันทำยังไงเอาไปต้มหลวงตาพูดไม่ได้เลยนะมันไปคนละเรื่องกัน เราจงใจจะไปตาคันธุมันเน้นหนอยไปต้มอีกข็หมดไม่เหลือเนี่ยรถมันมันดีมันอริ่อยล้าก็รู้จักเมล็ดมันมันน่าจะเป็นพืชพันธุ์มันต้มได้หลายเจ็ดต้นอ่ะไม่มีหอมันสั้นแค่กระดาษไอ้พวกเราก็ทากันยังไงคิดไปไปมาๆแล้วจะมาก็กลับไปจะมาคิดยังไงละคิดไปคิดมาขันเหมือนกันน ดไปแล้วมนุษย์ดาวนี้มันมันก็ไม่มีอะไรนะอยู่มนดนูไม่มีอะไรแล้วอันในโลกมีแ่ความธรรมาก็เสียงของปีศาาเหมือนกันเนสะียงข้างเสีอ่ะ ม, มันมันไม่ใจโตนไม่ใจกล้องท้องโตนไม่ได้ฟังคือความอยากมานาันหลายมันผมทับไปเลยความเป็นจิ้งผู้วามีธรรมะแล้วเขาเอาธรรมะ ม, มาใช้อีกนะ่ะ มันก็ยิ่งรวยอยู่อย่างเก่ามันมี ย, ยิ่งสบายยิ่งมีปัญญายิ่งแปลเปลี่ยนไปนี้นะไม่ใช่มันเสียหายไปตรงไหนได้ประโยชน์ที่ด้วยอย่างนคนที่ไม่มีธรรมาไม่มีธรมาเกิดมาทุกข์เท่านั้นแหละอยู่ทุกข์จะไม่รู้จุดจุดไม่รู้จุดทอย ทำจะงานไม่ต้องเอาผลมันไม่ต้องกินผลงานทำจะงานไท่านั้นญาติโยมทั้งหลายทุกคนมันก็อย่างนั้นแหละถ้าเรามีบุญมีจิตเมตตาจัดทุกสิงทุกอย่างมันอาศัายคนมันอยากเข้าใกล้คนเกิน แต่ว่ามันได้เข้าใกล้คนที่ดีๆแล้วมันสบายมันกินสบายมันนอนสบายนะมันอยากเข้าใกล้มนุษย์อยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์ัทุกอย่างนั่นง้องเราไปอยู่ที่ไหนสิพวกนกพวกกระแตกระรอกต่างๆนะต้องค่อยๆเอาเข้าให้มันกินอย่าไปทำเล ย, ยไปมองเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเข้ามาถึงนะมันอยากจะเป็นเป็นเพื่อนเป็นมิตรเยอะเกินแกมาเข้ายาก มันก้าปเพื่อนมนุษย์มันเข้ายากจนเกินตายมันตายถ้าเข้าได้แล้วมันจะมาอย่างอย่างจากที่มันเข้าวัดวะโฮ่เลยเข้ามาได้กินได้กินข้าวกินปนไม้ได้สบายบ้านมันก็อยู่ปีสภาวะอะไรออกลูกเต็มอยู่นะมันสบายมันกรู้จจเมื่อมันเย็นมันกร้จักมันอยากจะเป็นเพื่อนมนุษย์ แกมนุษย์นี่มันยากมันเข้ายากมันเข้ายากเขาํำบากเรือ่องวิรธรรมนี่มันจะมีธรรมะระบายว่าถึงข้างนอกนี่มันยากลำบากฉะนั้นเราทุกคนที่เรียกว่ามันพอสมควรแล้วก็เอาเอาไปพยายามทำให้มันเบาเาไป พ ย, ยายามทงนเาพยายามทำสิ่งใดที่มันไม่เป็นบาปนั่นละ่ะหาเงินหาทองมันก็มีเยอะแยะไปหาแต่สิ่งมันไม่เป็นบาปนั่นละอันจะมาใครไปพบสารคนหนึ่งอย่ต่อเพศเขาอินท้างอายุสหปีเรียนเป็นนายทหารอ๋อ ยิงค้างมาไปดรู้กี่ปจนแก่อาจจะมาไปเห็นเข้าเลยว่าบ้าันจะตบเด็กปืนก่อนจะบอกปืนไม่เอาอะไรโยมเอาจะไปยิงเอางามันอาจจะมาไปเห็นเราเนี่ยถ้าหากว่าจะตระดคนคนนี้แ่ะเห็นใจนบุญหลายหรือไม่ ก็เลยสไปแร็กกับเขาอยู่ในพื้นไม่เข้าไปในป่ามเมื่อที่เดือนนึ่งก็ไม่ออกมาหมดข้าวกินก็กิ่งกัดสาวถึงกินไปเรื่อยไม่ได้ดีในตัวสองตัวมันก็ยังไม่กระจายทังย้งใหญ่ใหญ่อาจจะมาก็ไปไ ป, ไปพูดโยงทุกวันนี้ทำอะไรทำมา กควบยิิง้างเอางามันขายแล้วนะเพราฟันของโยมมันเสียดายไหมมีคนมาถอนออกจะว่าไงเอาไหมอนอัตมาเราเปลี่ยนอาชีพเรื่อไม่ได้ระโยงมันโอ้ยมันในรายนั้นเองาเขานี่ย่กลัวมันจะเป็เม็หนึ่งห้าตดเกียดตีเนี่ยมันรักษามันว้นสี่สิบปีนั่นออธิบายฟังแล้วก็นั่งฟัง เก็ตอบว่าอ้มันอยากได้ลวที deeply, ่วาสยิ้มมันสวามิชลมันอยากได้ลวเออที่วาสิยิ้มเมื่อไหมันอยากได้ยิ่งแล้วเรือยๆใจมันจะกปลี่ยนทไรอยู่มันจะมันไหนมันหนาแมันไ่มีทางหาไปบูงบังบงขายได้กินตัวันน่ จะหาหนี้สร้ายได้ทีมันก็ไม่ง่านมันจะเน้นเจร่ญกายเจริจมอยู่นะัยนนี่พุทกรรมเออพระพุทธองค์ของเราในทะ่นานสอนในธรรมาหะอินในทางที่ชอบเป็นสมาธิวะอย่าไปทำมันบาปเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นมันจะมีข้อาหาได้แค่ว่ามันใน ห, หาไม่เต็ม มันจะเอาจิมันเป็นบาปนะแ่มันเป็นบาปนมันก็ลบากนคือไม่ไปภาวนากันไม่พูดยังไงก็เมันสที่ลบากพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะมาว่ามันมันบางเรื่ององควนที่มาวัดสมบูรนี่มันบางเรื่พอควรลพอรู้เรื่อง ละบาไปหมดกับกึ่งกลางๆจะพยายามละหรือพยายามถอนถึงว่าวันนี้ไม่ได้พวกนี้จะพยายามอยู่ด้วยนะก็พอเห็นว่าไอ้คนแก่ฝึกมาเนี่ยหลายปีอะไรอย่างเงี้ยจนถึงวันนี้เลิกเคยไปทำทำให้มันเป็นยิดสายทำให้มันเป็นปจัจจัยถ้าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ถ้าหากว่าเราไม่ทำความมีอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีความหมายอย่างนั้นตอนริงให้ละพูด ง, ง่ายๆว่าละบาบปบําเพ็ญบุญเรื่องนี้มันละบุญบำเพ็ญบาปกันแล้วเนือแต่ก่นอนมันเอามันเอาม้าออกหน้ารถ เดี๋ยวนี้มันอรรถออกหน้ามาแจ่แล้วเนี่ยเขาพุทธเจ้ากันสอนว่าล่าบาปบำเพ็นบุญัก็ทามาทามามันไม่ทใจมันเลยล่าบุญบำเพิดบาเลยมันเป็นอย่างยงมันกลายไปนะอาตมาได้เที่ยวไปหลายแห่งมันมันรู้จักในหลายอย่างบางทีบางฐานมันทำบาปทำบาปอะไรทาบา ฆ่าคนเอาเงินหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเขามีคนเก็บแค่นเนี่ยใจมาเออไปฆ่าคนนี่ปู่เดือบไปเลยยิงคนตายเอาเงินโอ้โหมันขนาดนี้มันก็มีเชียอ ว, ว่าบ้านเราอาจจะมาว่ายัางยังยังสำคัญดีเหมือนกันชาวพุทธอุบลเรามีครูบาอาจารย์ตืบเนื่องมาจากไหนอะไรมา ถึงใ น, นอย่างเนยวไร่เขายัางยั ง, ย ง, ยงคออยู่ทำสมาธิมันก็เนื่องมาจากศีลการทำสมาธิจิตคือทำจิตให้มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นอารมณ์อันเดียวแบบแผนมันทัางในนั่งคัจจามือขวาจับมือซ้ายขาขวาจับขาซ้ายต่างกายมันตรงภางวนา กำ น, นดรวมหายใจข้าออกค่ น, นให้รู้จักนึกพุทธโธพุทธโธนี่ก่อนอันนี้เป็นขั้นแรกของมันภาวนาเป็นขั้นแรกทำไปทาไปเรื่อยๆทำไปยิตของเราฝึก ไ, ไ, ไปมากๆเพื่อมันก็จะมีอารมณ์เดียวพอนั่งพกมันก็จะมีอารมณ์เดียวให้ไม่มาก จิตเรามีอารมณ์ันเดียวนะจิตมันมีกำลังจิตมีอารมณ์หลายอย่างจิตกำลังมันน้อยการออกกำลังการจิตคือทำอารมณ์มันน้อยน้อยลงน้อยน้อยไปน้อยไปจนกว่าที่มันยุบลงให้มันเห็นให้มันเห็นรวมหายใจองกันาหนี้ทำจิตมันมีกำลังจิตต้องรวม โดยมากจิตของเราเนี่มันก็มีกำลังเพราะคิดมาการพัดอย่างเราไม่รู้จักไปหาโอกาสที่จะรักษาจิต ด, ไ, ดไม่มีโอกาสได้ไม่รู้เรื่องว่าจิตเป็ น, ปนยังไงอะไรมันเป็นไม่รู้เรื่องกันไม่รู้จักทำได้ที่หลักกรลงองดที่เานั่งกัดจามาที่เข้า เดี๋นี่ลหละเดี๋ยวมันไปถึงพู้หญิเอาเดี๋ยนี้อลองลองดูทีเอาผัวผู้หญิงผูชายเอาถึงนั่นแหละนั่งสบายถ้าเพี้ยวก็ได้อะไรก็ได้ลองลองดูทีนั่งสบายพระพุทธเจ้านะวันนี้นะวันนี้วันสัตวเกิดวันสัตวนิพพานวันสัตวกัโลธรรมะวันนี้ดับตาดงแค่นิดนึง จะไปยิ้มตายมันแรงต่างกายมันตรงก่อนหายใจเขายาวๆตืตรงเขายาวๆและอารมณ์กวยาวๆจะสาครั้งเด็กจหยุดหายใจยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนลอยแรงแค่ไหนก้อยแค่ไหนก็ ย, ยาวไปเยอะเยเอามันสบายนะเลยดูลมมันแหะ ลมมันออกลมมันถูกต้องตรงไหนดู ม, มันตรงนั้นบางทีให้ถือตึงไปถึงแต่บางคนมันไม่ถึงมันมถึงมันถูกต้องตรงไหนเอาตรงนั้นเป็น อ, อารมณ์ลองดูสักพารภาวนานี่มันเลิกก็ขาเลยภาวนานมันต้อเกิดปัญญา